ทีนี้ตั้งคาถามว่าเพราะเหตุไรในที่นี้คือในคำพีอิติวุตการเนี่ยนะกล่าวคำว่าวุตตังเหตังพระควตาไว้แล้วตอนหลังก็จึงกล่าวคำว่าวุตตังไว้อีกละ่ะ น, น, นะทำไมจึงตรัตตตั้งใช้คำว่าตรัตตั้งสองครั้งนะวุตตังนี่แปลว่ากล่าวหรือตรัสทำไมคำพีนี้จึงใช้คำว่ากล่าวและตั้งสองครั้ง คือเขาบอกว่าพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วแล้วบอกว่าพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วนะทําไมจึงแสดงคำว่ากล่าตรัสแล้วกล่าวแล้วเนี่ยตั้งสองครั้งมาจากอุตสัพเนี่ยนะก็ท่านให้เหตุผลว่าท่านกล่าวควําว่าอุตตังไว้อีกก็เพื่อแสดงความแน่นอนนะคิดว่าย้ำมั้งนั่นเถอะแน่นอนจริงๆนะเคยได้ยินไหมไอ้คาพูดซ้ําๆเนี่ยมีประโยชน์อะไรไหมครับ วัดฉาสับวัดฉาสับนะครับสับที่พูดซ้ําๆอ่ะ น, นะก็ <c oughs> คือเพื่อตอกย้ำนะบางอย่างตอกย้ำนั่นนะเช <c oughs> ่นอแจมแจ้งนักพระเจ้าค่ะแจมแจ้งนักพระเจ้าค่ะนะทำไมจึงพูดซ้ําเป็นต้นนั่นนะเนื้อความแม่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอ๋อครั้งเดียวนะครับแต่สรุปแล้วก็มีวุตตะสามครั้งเหมือนกันเถอะตอนท้ายก็ยังยังบอกว่าเออพระสูตรนี้พระองค์ตรัสแล้วนะแต่นี้เอาเหตุผลไอ้วุตตะที่สองก่อน นะครับคือเน้นความแน่นอนอย่างหนึ่งแล้วก็สูตรนี้ปฏิเสธการได้ฟังตามกันมาไม่ใช่ว่าไปฟังต่อจากต่อจากต่อจากคนอื่นมาอีกทีหนึ่งนะนายกออ้างนายขอนายขออ้างนายงอนายงออ้างนายจอนายอะไรต่อไปเรื่อยไม่ใช่เป็นแบบนั้นปฏิเสธการตามฟังกันมาเพราะว่าพระนนเนี่ยท่านฟังมาเองนะครับเหมือนอย่างว่าคนบางคนได้ฟังมาจากคนอื่นแล้วพูด ถ้าว่าเรื่องนั้นคนอื่นนั vou, ้นม่ได้พูดเองคือคนอื่นนั้นไม่ได้พูดเองเพราะมีคนอื่นพูดไว้อีกทีหนึ่งและเรื่องนั้นคนอื่นนั้นก็ม่ได้พูดเองโดยที่แท้ได้ฟังมาต่ออีกหนึ่งชันใดในที่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่นะอ้างกันไปเรื่อยนะใครพูดอ่ะเรื่องนี้มันเกิดที่ใครอ้างของนนท์อ้างไปอ้างไปอ้างมาอ้างมาอ้างไปเลยแทบไม่มีอะไรเลยนะเหมือนก็สํานวนที่ว่าปั่นน้ําเป็นตัวแต่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะนี่ไม่ได้ฟังต่อต่อกันมาแบบนั้นเลย ก็ย้ำว่าเป็นความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงสดับมาจากบุคคลอื่นเลยเหมือนนเถอควาว่าไม่ได้ฟังต่อมาเนี่ยนะหมายถึงพระพุทธเจ้านะครับไม่ใช่หมายถึงพระอนพนธ์พระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังมาจากใครเลยตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงบรรลุด้วยพระองค์เองนะครับสิ่งเหล่านี้รู้เองเห็นเองนะครับด้วยพระสยัมภูยาณเพราะเหตุนั้นเพื่อแสดงความแปลกกันของวุตตังสับ น, น, นะนะพูทธังสัพสองคำนี้ท่านจึงกล่าวคําว่าวุทธังซ้ําถึงสองครั้งลเลยมีอธิบายว่าก็ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ก็เลยข้อนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเองเนี่ยตรัสไว้หาใช่ผู้อื่นกล่าวไว้ไม่เลยหาใช่พระองค์ได้ทรงสดับต่อจากคนอื่นไม่ครั้งแรกบอกว่าผู้ที่ตรัสก็คือพระผู้เทอเจ้าตรัสนะหลังจากนั้นบอกว่าที่ตรัสเนี่ยตรัสไม่ได้ฟังมาจากคนอื่นนะ พระ อ, องค์รู้เองเห็นเองนะครับพระ อ, องค์จึงได้อมาตรัสนะครับ เ, เดี๋ยวผมจะให้ดูสูตรหนึ่งนะครับตัวอย่างที่ว่าพระ อ, องค์ไม่ได้ไม่ได้ฟังมาจากใครเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นผมจะ ย, ยกตัวอย่างนะในส ก, การะสูตรนะครับว่าเดี๋ยวจะมีข้างหน้าแต่ว่าเอามาอ่านให้ฟังนูนิดหนึงนะในส ก, การะสูตรในข้อ2องห้าสิบเก้านะครับ น้491บอกว่าดูความพิสูจทั้งหลายเราตถาคตได้เห็นสัตว์ผู้อันสักการะครอบงำย่ายีจิตแล้วเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกปฏิวินิบารนรกคนที่มีจิตที่ถูกลาบสักการะครอบงำจิตนะนะเราได้เห็นสัตว์อันความไม่สักการะครอบงำย่ายีจิตแล้วเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกปฏิวินิบาตณ์นรก คนที่เสื่อมจากราศการะเนี่ยนะก็ตายไปตกนรกคือจิตใจที่กังวนกังวายในสิ่งนั้นนะนะเราได้เห็นสัตว์อันสักการะและความไม่สักการะทั้งสองครอบงาำย่ำยีจิตแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกดูความพิสูจทั้งหลายเราตถาคตกล่าวคํานั้นแล้วว่านะเหมือนกับซ้ำที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะเพราะได้ฟังต่อสมณะหรือพราหมณ์อื่นก็หาไม่ได้นะไม่ได้ไปฟังมาจากใครนะก็แต่ว่าเราตถาคตรู้ รู้มาเองเห็นมาเองทราบมาเองจึงกล่าวคำนั้นนะนะเพราะฉะนั้นปฏิเสธว่าวุตตังแรกพระ อ, องค์เป็นผู้ตรัสนะสองไม่ได้ไปฟังมาจากใครหรอกเพ่อพระ อ, องค์เป็นพระสยามภูญานเอพูดอย่างนี้เราเอามั่งไม่ได้เลยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าจะเราสุนัข ก, กิงจอก น, นะแปลงเสียงเมื่อไหรเขาเรียกหอนนะครับไม่ใช่ราชสีรษะครับแล้วก็ศึกษาพระควาตั้งกัตต้นแล้วก็ศรัทธาไปเถอะครับ มีข้อความที่ขับเน้นย้ำอีกว่าจริงอยู่การกล่าวซ้ำย่อมช่วยให้เข้าใจความหมายของกันและกันความหมายของกันและกันก็จะชัดเจนขึ้นเพราะเหตุ น, นั้นจึงไม่มีข้อเสียหายในเพราะการกล่าวคําซ้ำพูดซ้ำๆไม่เสียหายนะถ้าหากว่าเนื้อความเนี่ยทำให้เสริมกันถ้ามีทำให้ช่วยเข้าใจมากขึ้นก็ซ้าก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนในสูตรอื่นๆก็นยะาเดียวกันนะครับอันหนึ่ง ที่ท่านกล่าวคําว่าวุตังไว้ซ้ําถึงสองครั้งเนี่ยนะเขาบอกว่าตรัสแล้วตรัสแล้วตั้สตงสองครั้งเนี่ยนะก็เพื่อแสดงว่าไม่มีการรดนาไว้ก่อนนะครับแปลว่าไม่มีการเรียบเรียงมาก่อนนะนักแสดงธรรทั่ ว, ท, วทั่วไปนี่นะเท่าที่เราเห็นก็คือต้องเรียบเรียงเรื่องก่อนที่จะไปพูดที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะพระองค์ไม่ต้องครับพระองค์ไม่ต้องจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมได้เหมาะแก่อัธยาศัยของบริษัทที่มาประชุม เพราะทรงมีปฏิพาน์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเหตุที่พระทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระองค์รู้เองเห็นเองเนี่ยขนาดนี้แล้วจะต้องไปเรียบเรียงทําอะไรเห็นแล้วก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรพูดได้เลยอย่างนั้นเถอะคืออันนี้พูดถึงสําหรับคนที่จบวิชานั้นแล้วนะจบวิชาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่ต้องเรียบเรียงกรของเราบอกเอามั่งอะ่ะนะครับอย่าไปเรียนแบบเด็ดขาดเลยนะครับ เราในฐานะสาวกเนี่ยควรเรียบเรียงก่อนนะครับมาขัดแย้งคําสอนเป็นต้นไหมเนี่ยนะอย่ามาโอ้โหเห็นท่านเอาเอามั่งเนไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นพระองค์เนีเกิดปฏิพาน์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันที่พระองค์ตรัสกับราชกุมารท่านหนึ่งถ้าจำไม่ผิดอภัยราชกุมารนะครับที่บอกว่าถามว่าพระองค์นี้เวลาที่ตรัสเนี่ยนะคิดไว้ก่อนไหมอะไรไว้ก่อนไหม เสร็จแล้วพระองค์ก็ถามว่าพระกุมาเนี่ยชำนาญในเรื่องรถใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยต้องคิดไว้ก่อนไหมว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะคือคนที่ชํานาญเรื่องรถก็เห็นรถพูดได้เลยว่าอะไรเป็นอะไรนะไม่ต้องเรียบเรียงไว้ก่อนนะคนที่ชํานาญในเรื่องอะไรเรื่องอะไรนั้นเขาไม่ต้องเตรียมตัวเลยว่างั้นเถอะพ่อรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรชั้นใดก็ดีพระพุทธเจ้าก็ฉะนั้นเหมือนกันนะครับเป็นคนคล่องแคล่วในเรื่องนั้นนะนะเลยไม่ต้องคิดเรียบเรียงก่อน พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่มีกิจรจนานะนะนะรจนาเรียบเรียงเตรียมตัวไว้ก่อนเปรียบเหมือ น, นคนที่ชํานาญในการให้ทานเป็นต้นเนี่ยนะก็จะให้ทานไปตามเหตุการณ์นะครับก็จะให้การตามเหตุการณ์พระองค์ก็เช่นเดียวกันพอเหตุการณ์แห่งการแสดงธรรมเกิดขึ้นพระองค์ก็แสดงได้เลยนะครับด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคํานี้ไว้ว่าก็เรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปแล้วก็ก็แล้เรื่องนั้น หาได้ทรงประมวลมาด้วยตักกะคิดไตรตรองไว้ด้วยอำนาจการรจนาไว้ก่อนไม่นี่นะครับคือไม่ต้องอาศัยวิต ก, กะนี่ย น, นะ ค, คือไม่อาศัยตักกะนี่นะครับเชิงเชิงตักกะนี่ยนะครับเชิงเครียกว่าสัมนุนโดยผสมเหตุสมผลหรือไตรตรองวิโตวิจารณเอาไว้ก่อนเนี่ยพระองไม่ต้อ ง, งนเนื่องจากบริบูรณ์ด้วยปัญญาอยู่แล้วนะครับเมื่อบริบูรณ์ด้วยปัญญาอยู่แล้วก็ก็ไม่มีความ จำเป็นอะไรที่ต้องเรียบเรียงในใจไว้ก่อนนะครับแต่ของเราเนี่ยอย่าคิดเรียนแบบเลยคอยไงก็ขอร้องนะครับไปถึงเดี๋ยวจะสำนวนจะใช้ฟอร์มสดอย่างเดียวเนยนะครับตกมาตายแน่นอนนะครับมวยไม่เคยฝึกเลยจะบอกว่าจะนึกว่าฝีมือดีนะไปถึงก็ถูกนอกต่งกางๆต่างๆระฆังยังไม่ตีโดยซ้ําใบนะครับขอเกิดครับผงเคยที่ศึกษากันเวลาที่พระองค์จะไปแสดงทําให้ใครองค์ก็จะมีเรียนขายพยานไว้ก่อน ถ้าพระองค์ก็จะรู้ว่าพระองค์แสดงเรื่องนี้เรื่องนี้ต่อจากเรื่องนี้แล้วเขไปเรื่องนี้แล้วสัตว์ผู้นี้ก็จะได้บรรลุธาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการได้เปรียงคือเขาบอกว่ามองเห็นเลยนะครับตรงนั้นก็ไม่ใช่ว่าเรียบเปรียงคือแบบเชิงตรรกะนะครับว่าเราจะต้องพูดอย่างนี้นะจะต้องอย่างนั้นนะอย่างนั้นพระองค์รู้แล้วว่าควรจะเป็นยังไงอ่างนั้นเถอะอย่างถึงเนี่ยนะนะเป็นคนอย่างถึงเลยนะ คือไม่ไม่ใช่คาดคะเนตรงนี้คือเว้นจากคําว่าคาดคะเนหรือกะนะเว้นจากการกะนะนี่ถ้าเราพูดแบบนี้นะเขาต้องตอบมาอย่างนั้นนะเขาตอบมางนั้นเราต้องโพดไปอย่างงี้อันนี้ไม่ต้องนะครับมาเห็นเนี่ยรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรอย่างนั้นเถอะก็เลยสา น, นวนว่าไม่ต้องเรียบเรียงอะไรแต่ก่อนหน้านี้เป็นกิจของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่แล้วว่าตื่นเช้ามืดเนี่ยนะต้องแผ่ขายพยานตรวจ ด, ดูสัตว์ที่คู่ควรกับการสงเคราะห์เป็นต้นหรือไม่นะครับแต่ก็ตรวจ ด, ดูก่อนเนี่ยนะ คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเรื่องศาสกาสัมปชัญญะเป็นต้นเนี่ยหายห่วงเลยนะครับแต่คือตรงนี้มุ่งขยายเน้นว่าพระ อ, องค์เนี่ยชนานาญในเรื่องนี้ขนาดนี้ว่างั้นเถอะถ้าพูดสำ น, นวนเรื่องพูดถึงเรื่องการพูดนะเงีเรื่องการแสดงธําเนี่ยนะชํานาญในเรื่องนี้อยู่แล้วจนแทบว่าไม่ต้องคิดเรียบเรียงเรื่องเลยอะนะมองก็รู้แล้วว่าควรจะพูดยังไงแค่ไหนเนี่ยนะครับรอบรู้หมดเลยแล้วก็ ปฏิพานที่เกิดเนี่ยนะก็เหมาะสมกับอัธยาศัยเลยนะครับอย่างที่ว่าเหตุนั้นท่านจึงแสดงคํานี้ไว้ว่าก็เรื่องนี้พระ อ, องค์เนี่ยนะครับไม่มีตร ก, การแล้วแสดงธรรมเหมาะสมกับอัธยาศัยด้วยนะว่าอัธยาศัยคนนี้หนักไปทางสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวเนี่ยพระ อ, องค์ก็มองเห็นนะรู้แล้วว่าจะต้องใช้คําแบบไหนให้มันเข้าเข้ากับเนื้อหาแล้วก็สงเคราะห์เข้าได้นะครับอย่าลืมว่าถ้อยคําของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์นะครับ เพื่อช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์อีกในหนึ่งนะครับคํากล่าวคําว่าวุฒังเนี่ยนะคําว่าพระองค์ตรัสแล้วไว้สองครั้งก็เพื่อแสดงว่าพระดํารัสนั้นไม่มีใครปฏิวัติได้ปฏิวัตินี่หมายว่าเปลี่ยนแปลงอะนะไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนแปลงคําสอนของพระองค์ได้เล ย, เยพูดอย่างนี้เนี่ยคําว่าปฏิวัติคือคัดค้า น, นะนะว่าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะปฏิวัติหรือคัดค้านหรือว่าหรือจะยกอันอื่นมาแทนเนี่ยนะไม่มี แต่บิดเบือนเนี่ยมีนะครับปฏิวัติไม่ได้คือคำสอนเนี่ยว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละแต่ก็มีนะครับพวกโมค่ะบรูททั้งหลายก็บิดเบือนคำสอนเหล่านั้นๆอันนี้ก็เป็นความไม่ดีเฉพาะตัวนะครับแต่ถ้าเรียนเรื่องกรรมมาแล้วก็ไม่น่าหนักใจนะครับสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะครับถ้าบิดเบือนคำสอนอยังไงก็ต้องมีโทษอยู่แล้วนะครับ เป็นความจริงพระดํารัสใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วก็เป็นอันตรัสแล้วทีเดียวใครๆไม่สามารถจะคัดค้านพระดํารัสนั้นได้เพราะอักขระสมบูรณ์และอัถาก็สมบูรณ์นะครับเราเคยได้ยินนะศาสตร์ทางสัพยัญชนะเกวัลปริปุนังปริสุทธังบ ร, รมจริยังประกาเศเสสิเนี่ยนะครับประธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสนี้ไพระาะทั้งเบื้องต้นไพระาะในท่ามกลางนะครับไพระ่ะในที่สุดประกาศ อัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะเนี่ยนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเลยนะครับไม่ไม่ขาดตกบกพร่องเลยเนี่ยนะเนื่องจากสมบูรณ์ขนาดนี้จึงไม่มีใครคัดค้านได้สมจริงดังคำที่พระองค์ตรัสไว้ในธรรมจักรนะอย่างข้อความในธรรมจักรธรรมจักรว่าธรรมจักรอันยอดเยี่ยมนั้นะ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เป็นไปแล้ว ณป่าอิสิปัตนามฤุกทายาวันแขวงเมืองพาราณสีสมณะหรือพราหมณ์จะปฏิวัติไม่ได้อปฏิวัติยังเทเวนวามาเรนวานี่นะที่เคยสวยดกันนะครับนั่นแหละในธรรมจักรนะว่าบอกว่าธรรมจักรกับปวัตนาสูตรหรือว่าคําสอนทั้งหมดของพระองค์นี้ไม่มีใครปฏิวัติคัดค้านได้นะว่าไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่ก็ แต่ก็อย่าลืมนะคนบอดก็เดามั่วนะแต่อันนี้พูดถึงคนตาดีเขาไม่มีใครไปปฏิวัติหรอกครับเอาคําบันดิตของเป็นประมาณนะครับคำของคนทานเอาทําอะไรได้นะครับชอบก็ชมชังก็แช่งแค่นั้นแหละครับท่านกล่าวไว้อีกข้อหนึ่งว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์มาพึงกล่าวในที่นี้ว่าทุกใดที่พระสมณะโคดมบัญญัติไว้ทุกนั้นไม่ใช่อริยสัตว์เนี่ยนะพระองค์บอกว่าอุปาทานขันห้าเนี่ยเป็นทุกนะเป็นทุกขอริยสัตว์ แล้วก็มีสมณพราหมณ์มาคัดค้านน่ะนะนะข้อที่เราตถาคตจักเว้นทุกขาริยาสัต์นี้แล้วบัญญัติทุกขาริยาสัตวญญตต์อื่นว่าเป็นอริยาสัตว์ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ดังนี้เป็นต้นคือหมายคําว่าพระ อ, องค์ตรัสว่าเป็นอริยาสัตว์นะแล้วมีคนมาบอกนั่นไม่ใช่ทุกขาริยาสัตว์รอกฉันจะสอนเองนะทุกขาริยาสัตว์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่นะนะปฏิเสธทุกขาริยาสัตว์ของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ไม่ใช่ฐานะนะครับคือเป็นไปไม่ได้นะครับ ไว้อีกข้อหนึ่งว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสมณะหรือพราม์พึ่งมากล่าวไว้ในที่นี้ว่าทุกใดที่พระสมณะโคดมบัญญัติไว้ทุกนี้ไม่ใช่อริยสัจข้อที่เราตถาคตจักเว้นทุกขาริยสัจนี้แลว้วบัญญัติทุกขาริยสัจอื่นว่าเป็นอริยสัจไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดังนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้หมายถึงการ ครับแล้วก็คือเพื่อที่จะได้ค่ะว่าคนอื่นเขาพูดไม่ถูกใช่ไหมพูดไปครั้งก่อนนี่มันไม่ถูกมีคนมาคัดค้านแล้วก็พูดอันใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่แน่นะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนสําหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคําว่าวุธตังไว้สองครั้งก็เพื่อแสดงว่าพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีใครปฏิวัติได้นี่นะคือ พ่อองค์เองก็ยังไม่เปลี่ยนของพระ อ, องค์เลยนะครับพูดว่ายังไงก็เป็นอย่งงางนั้นจริงๆนะครับไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสมบูรณ์บูรณาการหมดแล้วนะครับอีกประการหนึ่งนะครับท่านกล่าวคําว่าวุทธังไว้สองครั้งก็เพื่อจะแสดงภาวะที่จะให้สําเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งหลายนะครับ คือมุ่งประโยชน์ของผู้ฟังเป็นหลักนะนะถ้าไม่พูดไว้อย่างนี้ประโยชน์ก็จะไม่สําเร็จแก่ผู้ฟังก็เลยตรัสไว้อย่างนี้สองครั้งเพื่อให้สําเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังเนี่ยเป็นความจริงบุคคลผู้ไม่ใช่พระสัพพันยูไม่รู้อาศัยะเป็นต้นคําว่าอาศัยะนี่คืออัธยาศัยของสัตว์เนี่ยนะอัธยาศัยอนุสัยจริตเป็นต้นเนี่ยนะของบุคคลเหล่าอื่นกล่าวคําใดไม่ถูกเทสะ คือพูดผิดที่นะเทสะนี่ไม่รู้จักสถานที่หรือพูดไม่ถูกกาละถูกที่แล้วก็ผิดเวลาเนี่ยนะครับคํานั้นแม้จะเป็นคําจริงก็ไม่ชื่อว่ากล่าวไว้แล้วเลยก็ไม่ชื่อว่ากล่าวไว้เลยเพราะไม่สามารถในอันให้สําเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งหลายจะกล่าวไปยายถึงคําที่ไม่จริงเล่ า, าพูดถูกพูดถูกต้องแต่ว่าพูดผิดที่ก็ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังอย่างหนึ่ง ถูกที่แต่ผิดเวลาก็ไม่สําเร็จแก่ผู้ฟังะนะยกตัวอย่างเหมือนเราเนี่ยมาเปิดเรียนสักตีหนึ่งตีสองเงี่ยนะครับที่นี่ที่นี่เป็นที่ฟังธรรมสนธนาธรรมอยู่แล้วละ่ะแม่แต่ผิดเวลาไปหน่อยตีหนึ่งตีสองเงี้ยนะหรือไปพูดผิดที่ที่ไหนก็ไม่รู้เขากำลังวุ่นวายเดือดร้อนชุลมุนกันไปเที่ยวเทศใหญ่เลยนะอันนั้นก็ผิดสถานที่แม้แต่ถูกสถานที่แล้วก็ต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับอันนี้พูดจริงนะก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าไม่รู้สถานที่และไม่รู้เวลา แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาศัยเป็นต้นของบุคคลเหล่าอื่นเทสะคือสถานที่กาละคือการเวลาเนี่ยนะและความสําเร็จประโยชน์อย่างถูกต้องทีเดียวเพราะพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับว่าเวลาพระองค์เทศนาธรรมะที่ใดเนี่ยจะได้ยินว่าบรรลุมรรคผลใหไ้ได้พบบ่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะพระองค์รู้สถานที่และเวลานะครับแต่ผู้ที่ไม่รู้สถานที่และเวลาก็นะครับ เสียใจมานะครับไม่เทศแล้วไม่ประสบความสําเร็จเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายคนฟังไม่รู้เรื่องอะนะตํำดีไม่ดีตําหนิ่แต่คนฟังอย่างเดียวนะครับไม่รู้เรื่องเลยแหมเราอุตส่าห์ตั้งใจนะพวกก็ไม่ฟังอีกเป็นต้นที่จริงตําหนี่ผู้ฟังไม่ได้นะครับต้องตําหนี่ผู้พนะู ด, น, ดนะนะครับนะนะฉันต้องดีไว้ก่อนอนะนะอ่า เพราะว่าพร ะ, พระองค์นี้ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ตรัสพระดำรัตใ ด, ไ, ดไว้พระดำรัสนั้นก็ชื่อว่าตรัสไว้เสร็จแล้วทีเดียวเพราะให้สําเร็จประโยชน์ตามที่ประสงค์แก่ผู้ฟังทั้งหลายโดยส่วนเดียวนะครับเพราะว่าเข้าประสงค์สิ่งใดนี่นะครับประสงค์โสดาปฏิมัคสกธาคามีมัคเป็นต้นเนี่ยนะตามสมควรแก่อินทรีย์และอัธยาศัยก็ให้เขาสําเร็จประโยชน์อ น, นั้นได้จริงๆนะครับ พันถ้อยคําที่เป็นปริยายเนี่ยไม่มีในคําพูดของพระพุทธเจ้านะครับคือไม่ได้บกวกไปวนมาวกมาวนไปเนี่ยไม่มีมีแต่แบบตรงๆนี่แหละเนี่ยนะเพราะว่าคําที่เป็นวกไปวนมาเนี่ยนะปริยายเนี่ยนะผมเข้าใจว่าหมายถึงวกไปวนมาเนี่ยนะที่ฟังแล้วไม่สําเร็จประโยชน์เนี่ยนะพระองค์ไม่ได้ตรัดถ้อยคําเหล่านั้นไว้เลยนะครับคือหมายว่ามีแต่ตรงประเด็นเหมือนกันเถอะ จะอารัมพตะกรถาร่ายยาวมาไม่มีครับมีแต่ ว, ว่าเข้าเนื้อเข้าหาเลยนะครับดูความพี่สูจนทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะนี่คือกายทุจริตกายทุจริตให้ผลอย่างงี้นะเป๊ะ เ, เ, เปเปไปเลยนะครับโอ้นี่นะเป็นฐานะมีได้ถ้าประพฤติกายทุจริตวัจจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยนะที่บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยทุจริตเหล่านี้เข้าไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกเนี่ยพูดเปะไปเลยนะครับไม่เพื่อว่าท่าว่าอะไรนี่ไม่มีนะครับ อันแล้วในการ น, นี้แสดงพระสูตรเยาะเย้ขึ้นมาเพื่อที่จะไปตบท้ายอะไรให้เขาได้สํานึกอย่างเงี้ยก็แต่ละส่วนก็ชื่อว่าตรงประเด็นหมดเลยนะครับนั่นนะที่ไม่ตรงประเด็นนี่ไม่มีอย่างนั้นนะแต่ว่าถือว่าทั้งหมดนั้นคือชื่อว่าตรงประเด็นนะครับเพราะว่ า, าเราต้องเข้าใจว่ า, าเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนะครับ และอย่างหนึ่งถ้าหากว่าประกาศอริยสัจไปเลยอินทรีย์เขายังไม่แก่กล้าจะทำไงมันก็ไม่สําเร็จประโยช น, น์เพราะฉะนั้นจะต้องอย่างน้อยที่สุดการแสดงธรรมะเล่าชาดกเป็นต้นก็อย่างน้อยเพื่อให้มีสัตตินทรีย์เกิดขึ้นก่อนนะครับให้มีสตินทรีย์ให้มีวิริยินทรีย์ให้มีสมาิิทรีย์ไปก่อนนะครับปัญญทรีย์จึงจะเกิดขึ้นใค ร, คร่ครัวอริยสัจจึงจกบรรลุมรรคผลได้นะครับอย่างจักรวติสูตรเนี่ยโอ้โอนอกโลกไปเลยอะไรองนี้ครับ ก็คือให้เห็นให้พิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยสังเวทใจนะครับสังเวทใจว่าเ อ, อ้ยยุคต่อไปเนี่ยนะเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะถึงกัเรียกว่ามิขสันยีแบบนั้นเถอะถึงกับยุคที่น่าเกรงกลัวน่าอันตรายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียบแสวงหาเกาะหาที่พึ่งไว้เถอะแบบนั้นนะนะแต่ถ้าหากว่าเราศึกษาจาั ก, กรวัติสูตรมาดีเนี่ยจะเห็นว่าถ้าไม่ปฏิบัติทำให้พ้นระดับหนึ่งนะ ถ้าเรามาเกิดในยุคนั้นอะไรจะเกิดขึ้นจับพลัดจับพลูเนี่ยนะครับช่วงมิกฉสันยีไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่นึกฆ่าพ่อข้าแม่ขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นนะครับโอ้อันตรายมหาศาลนะครับในช่วงนั้นนะแล้วมิจฉาทิฐิเป็นต้นก็มีกําลังแรงกล้าเพราะฉะนั้นเธอจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งนะมีทำเป็นเกาะมีทำเป็นที่พึ่งรีบทําที่พึ่งให้ตัวเองไงเธอเพราะถ้าหากว่าประมาทก็โตไผยโตมันนะงั้นน่ะนี่ผมว่าเองนะ เพราะว่าที่กล่าวไว้วุฒังไว้สองครั้งก็เพื่อจะแสดงภาวะที่จะให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งหลายด้วยนะครับเพราะว่าตรัสไว้อย่างนี้ก็สำเร็จประโยชน์จริงๆนะครับประโยชน์ก็เกิดขึ้นแก่สัตว์จริงๆนะนะอีกประการหนึ่งคำที่มีความหมายที่ใครๆเข้าใจไม่ได้คือพูดแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะและคำที่ใครๆปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นไม่ได้ ก็ไม่เชื่อว่าฟังเสร็จแล้วฉันได้พูดแล้วก็ไม่เข้าใจพูดแล้วก็เอาไปแต่ทำตามไม่ได้ว่างั้นคำที่ใครๆรับด้วยดีไม่ได้ไม่เชื่อว่ากล่าวแล้วฉันนั้นนะคือฟังแล้วก็ไม่เข้าใจฟังแล้วก็ไปปฏิบัติตามไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่รับไม่ดีหรือว่าเหมือนกับไม่ได้ฟังมากนะเพราะไม่ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรสักอย่างเลยนะก็สนวนว่าได้แต่ความมึนงงกลับไปว่างั้นถ้าอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ ก็บริษัทสี่เนี่ยนะครับภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาเป็เรื่อเนี่ยรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีแล้วพากันปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นคือหมายความว่าเขาฟังแล้วเขาเขา้เขาใจเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเขาฟังแล้วเขาเขา้าใจแล้วเขาไปปฏิบัติตามจนได้ผลอย่างนั้น เพราะเหตุนั้นท่านก็เลยกล่าวคำว่าวุฒังเอาไว้สองครั้งเพื่อแสดงว่าพระดํารัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสาวกรับไว้ด้วยดีหมายถึงว่าตอนฟังก็เข้าใจอย่างตลอดสายแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามได้บรรลุมรรคผลสมความมุ่งหมายที่ตั้งใจเอาไว้อย่างนั้นจริงๆไออย่างพระสูตรบางพระสูตรเนี่ยพระองค์จะแสดงไว้แต่ เหกข้อมันแล้วก็ต้องให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยไปถามภาษารีบุตรบ้งพระมหาคัจจานะบ้างอย่างเช่นธรรมทายะทัสูตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นต้นใช่ไหมครับครับก็จากข้อความตรงนั้นก็เพื่อที่จะได้ยกย่องภาษาวกนั้นๆนะครับว่าถ้ามีปัญหาลักษณะนี้เป็นต้นก็ไปถามสาวกองค์นั้นก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าธรรมทายะสูตรก็เพื่อต้องการยกย่องภาษารีบุตรนี่นะถ้าหากว่า กัจจยนะพระเทกรสูรก็เพื่อต้องการยกย่องพระมหากัจจยนะถ้าอนันท่าพระเทกรสูรก็เพื่อต้องการยกย่องพระอ น, นุนนะครับหรือว่าต้องการพระยกย่องพระสาวกองค์อื่นๆเนี่ยนะสาวกองค์อื่นๆเมื่อรู้ว่าพระศาสดายกย่องก็จะสําคัญว่าควรเข้าไปหาควรเข้าไปนั่งใกล้ก็จะสําเร็จประโยชน์แก่สาวก น, นั้นนนะครับนะคืออย่าลืมว่าผู้ที่จะบรรลุเป็นทารยะบุคคลนะครับ บางพวกเป็นพุทธเวไนต้องฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะได้ตรัสรู้ธรรมบางพวกเป็นสาวกเวไนต้องฟังจากพระสาวกจึงจะได้ฟังธรรมจึงจะได้ตรัสรู้ธรรมบางพวกเป็นธรรมเวไนเนี่ยนะครับอาศัยพระธรรมอย่างเดียวจึงจะได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นสาวกเวไนเนี่ยนะพระองค์ก็ต้องให้สาวกสอนนะครับอย่างเราสังเกตดูในนันทโกวาทสูเนี่ยพระผู้มีพระภาคเท่าเหมือนกับว่ารับสั่งให้พระนันทกะไปแสดงธรรม เพราะว่าผู้ที่ฟังเหล่านั้นเป็นสาวกเวในแล้วก็ต้องฟังจากพระนันทกะนะครับจึงจะได้บรรลุทัานพระองค์ก็เลยให้พระนันทกะไปแสดงหรือเหมือนกับภิกษุที่ไปกลุ่มกับพระเทวทัตนะกลุ่มนั้นจะตรัสรู้ได้เพราะภาษารรบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยแสดงก็ต้องให้ภาษารรบุตรพระโมคคัลลานะไปแสดงนะครับไม่ใช่พระเทวทัตแสดงให้บรรลุนะครับขอการครับเ อ, อ่อคนที่เป็นพุทธเวไนเนี่ย คงไม่สงสัยว่าพระพุทธองค์แสดงธรรมแล้วก็จะได้บรรลุแต่สาวกเวไนหรือว่าธรรมะเวไนนี้ถ้าพระ อ, องค์สมัยพระ อ, องค์ไม่เป็นแสดงธรรมเองเนี่ยว่าเมื่อพระองค์แสดงธรรมแล้วน่าจะได้บรรลุน่าจะดีกว่าดีกว่านะครั บ, รบเนะผมจะยกตัวอย่างในเรื่องหนึ่งมีอยครั้งหนึ่งนะครับพระผู้มีพระภาค พ, พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับไปบินทบาทแล้วก็เดินไปบินทบาทเนี่ยนะพอไปนี่ยนะมันก็มีเด็กถือหิ้วขนมมาเยอะแยะไปหมดเลย เด็กไม่ใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าให้พิสูจส์ซากองคเดียวนะครับพระองค์ก็ไปเห็นต้นไม้ผมก็นั่งรอพิสูจน์ก็นั่งรอเนี่ยนะเด็กๆ เ, เห็นว่าพระพุทธเจ้าก็ไหว้เฉยๆแต่ขนมนี่มีเต็มเนี่ยไม่ใส่บาตรก็รัชิ้นก็ลานไม่ใส้ตอนหลังพระมหากระส ป, ปะเดินมานะครับพอพระมหากัะส ป, ปะเดินมาเด็กมาไหว้มากราบเอาขนมไปใส่บาตรเต็มไปหมดเลยนะครับพระมหากัะสปะบอกเออโน่นไปถวายพระพุทธเจ้าโน่นนะคิดดูนะครับ อันนั้นเด็กนั้นเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เลื่อมสายแต่ทำไมไปเลื่อมสายพระมหากษัตริยให้รู้ว่าเออเนี่ยนะมันของใครก็ของใครจริงๆจริงเหนือนกันเถอะนะไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไปทําได้ทุกเรื่องนะครับคือที่ทําได้ก็คือรู้ว่าอะไรควรอะไรควรจะจัดแจงเช่นใดเช่นใดเป็นต้นนะครับเออเป็นไปได้ไหยที่ว่าคนที่ฟังสาวกแสดงธรรมแล้วในอดีตเคยอาจอาจจะเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหากันมาก่อนเนี้่บแล้วก็ พอฟังทำแล้วเกิดศรัทธาเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาอะไรเป็นนั้นครับเป็นไปได้ครับอย่างเรื่องในนันธนันตกะเนี่นะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าห้าร้อยคนเคยเป็นสนมของพนันทกะนะครับ <c oughs> ก็เป็นอย่างว่านั่นนะครับ <c oughs> ก็เนื่องจากสะสมกันมานะแต่ทําให้เห็นว่าพราะองค์ไม่มัจฉิยะนะครับไม่ตณีกับใครเลยนะไม่ไม่ตณีเลยนะครับถ้าใครดียังไงพงค์เอามาชมไม่หมดนะครับ นะอย่างชื่นชมพระคัสปะชื่นชมพระสารีบุตรชื่นชมพระอา น, นุนชื่นชมพระกัจยานะชื่นชมพระสังขามชี้ขอให้ดีเนี่ยพระองค์ชมได้หมดนะครับไม่มีมัจฉริยะในการชื่นชมแก่ บ, บุคคลอื่นนะครับคือพระองค์ยังไม่ปกปิดคุณที่มีอยู่จริงของผู้ที่มีคุณงามความดีพระองค์จะเอามาเปิดเผยอันพระองค์เนี่มีมุที่ตามมากนะครับไม่มีอิจชาริษยะตาร อ, อะไรไม่มีสักอย่างเห็นไนะ มันไม่เหมือนโดยทั่วๆไปก็พยายามจะปกปิดคุณของคนอื่นนะแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยขึ้นมาโชว์แล้วโชว์เล่าออมาบอกว่าความดีของตัวนี่มีอยู่เท่าไหร่เนี่ยนะขนเอาออกมาให้หมดเลยส่วนความชั่วของคนอื่นแม้แต่เล็กน้อยเนี่ยนะครับก็เอามาจารในซะหมดแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับ